ถ้าน้าเห็ผลว่าถ้าหากว่าเป็นการนอนกุกขี่กันอาจจะทําให้อภิกษุนั่นทําอาบัติที่เร็วซามกว่า น, นั้นได้เลยไม่ใช่นั้นปริวาสิกะภิกษุกับปริวาสิกะภิกษุมังฟูนี้ที่ผมบอกไปแล้วครั บ, ร บ, รบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กับปะกตศท่ท่านบอกว่าอาครั้งแรกจะท่านแสดงว่าห้ามนอนร่วมกับปกตศท่ใช่ไหมครับ ต่อไปฉันจะบอกแม้แต่ปริวาสิกาพิสูดด้วยกันก็ไม่ควรนอนร่วมกันแล้วก็ให้เหตุผลลงไปเพราะถ้าเธออยู่ร่วมกันแล้วเพราะฉะนั้นคือการนอนร่วมนี่ไม่ไอที่ท่านบอกว่าเพื่อป้องกันที่เธอจะรู้อาจารย์หรือคือรู้ความประพฤติของกันและกันแล้วก็อาจจะต้องอาบัตรที่เร็วตามกว่าหรือรู้ว่าอาจารย์ของกันและกันอาจจะชวนกันศึกไปเสียอย่างนี้เพราะ ห้ามนอนกับปริวาสิกะพิกษุด้วยกันไม่ไม่ไม่ใช่ปกติตะนะครับไม่ใช่ปกติตะแต่ประกติปกติตะนี่ไม่ไม่ไม่ได้มีอธิบายอย่างนี้นะครับไม่มีอธิบายอย่างนี้เอาถึงเรื่องที่ท่านรถถามไว้นะครับเรื่องที่ท่านรถไม่ใช่ถามเรื่องที่ท่านรถรับรองไว้นะครับอ่าปริวาสิกะปริวาสิกะจะตุโหเจพิกเวปริวาสังเอตปริวาสันตเอตนะครับในคําว่า ทำบริวาริกาพิสูให้เป็นที่สี่นะครับในกรรทั้งวงในที่บอกว่าเฉพาะบริวาทเท่านั้นนะครับดูตรงนี้เสร็จแล้วดูนะครับเมื่อวันก่อนท่านรอก่าถึงว่าได้ได้ไ ด, ได้ได้ไปฟังมาว่าในกรรมต่างๆนะครับมีการให้บริวารมานัดอภารอะไรอย่างนี้เป็นต้นบอกว่าถ้าในบริวารศีกรมนี้ เอาเปรีวาอย่างเดียวนะครับในปริวาสึก ร, รมนี้ทําปริวาธิกาภิกษุให้เป็นคณะภูรกะไม่ได้แต่ในกรรมอื่นที่นอกจากปริวา mm. เช่นมานัตอภานหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่ทำเปร เ, เ, เ, เมานัตตาจาริกะมาเป็นมาเป็นคณะปูรกะของปริวาได้อย่างนั้นนะครับเรามาดูข้อความตรงนี้ในอัตถกถานะครับว่าจะตรงกันไห ราปริวาสิกะจตุโถเจภิกเวปริวาสันติเอตะมาถึงตรงนี้ก็เราก็ใส่วินิจฉัยในคําว่าปริวาสิกะจตุโถเจภิกเวปริวาสังอนักศึกษาผู้ทราบว่าข้างล่างนะครับเปิดกันไปไหนหมายว่าพระอาตราทาตานยกบาลีมาเลยว่าตรงนี้ที่ที่ทำปริวาสิกาพิสูให้เป็นคณะบุรกะในปริวา บรในการให้บริวารเป็นต้นน่ะเป็นยังไงนะครับในการให้บริวารเป็นต้นเป็นยังไ ง, นะ ง, ไงท่านยกมานักศึกษาต้องรู้ตามนี้นี่นี่คืออธิบายของคํานั้นนะบริวาริกังจตุถังกัจวามัญญสสะบริวาสะทานาทีนิกาตุงนวัตติตรงนี้ท่านบอกว่าไม่ควรกระทําจามีการให้บริวาทเป็นต้นอ่าไม่ควร น, นี่มากระทํำนี่ก่อนนะครับ ไม่ควรกระทําปริวาสิกาภิกจุให้เป็นที่สี่แล้วทําการทํากิจมีการให้ปริวาสเป็นต้นแก่กันและกันนั่นเทีเ่ยวมีเอวะศับเลยนะครับห้ามเด็ดขาดในทีน่นี้เราจะดูว่าปริวาสิกะเอปริวาสานาทีนี้นะครับวันนั้นวันนั้นท่านเขาไปที่ยินมาว่าปริวาสอย่างเดียวนี่ครับในกรรมมีการให้ปริวาสเป็นต้นคือส่วนให้ปริวาสนะครับเป็นต้น ไม่ได้บอกเลยว่าปริวาสะปริวาสะฐานะเมวะปริวาทการให้ปริวาสเท่านั้นไม่มีนะครับมีเป็นต้นด้วยอาทิศัพท์ต้องเอาอะไรครับการให้ปริวาสเป็นต้นอาทิศัพท์ต้องเอามานัทอภานนะครับกรรมเดียวกันทั้งหมดความจริงติดต่อเนื่องกันเลยเพราะฉะนั้นปริวาทเป็นต้นของมานัทมานัทเป็นต้นของอภานครับเพราะฉะนั้นอาทิศัพท์ในทีนี้จึงต้องเอา มานัตและอาภาณกรรมนะครับมดูนะครับเอเตสเ ว, วะนะครับเอเตสเ ว, วะใช่ปะเอเตสุเอวะะเอเตสเ ว, วะในในกรรมทั้งหลายเหล่านั้นนะครับยกปริวาสิกะ า, านาทีสุมานะครับในกรรมทั้งหลายมีการให้ปริวาตเป็นต้นเหล่านั้นอายัง นูนปริวาสิกโกอันว่าปริวาสิกาพิสูนีคณะปรุรโกเป็นคณะปรุรกะนาโหติยังไม่เป็นหรือเป็นไม่ได้เป็นคณะปรุรกะในกรรมมีการให้ปริวาสเป็นต้นนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะแปลอาธิวันตะเราไม่ต้องแปลว่าเป็นต้นในกรรมมีปริวาสมานัณและอัปท า, านาทั้งหลายเหล่านี้นะครับปริวาสิกาพิสูเป็นคณะปุรกะในกรรมมีปริวาสมานัณและอัปานทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้นาโหตินี่ไม่ได้ เป็นไม่ได้เป็นคณะบุรุษเป็นจํานวนเต็มในสงนั้นไม่ได้นะครับเป็นจํานวนเต็มในสงนั้นไม่ได้เสเสสะสังเอ๋เสเสสังฆกรรมเมสุนะครในกรรมทั้งหลายในกรรมที่เหลือทั้งหลายเป็นได้นอกจากปริวาทมนานัณอภารเป็นคณะบุรุษในกรรมอื่นก็ได้ในกรรมอื่นเช่นอะไรครับในกรรมอื่นเช่นอุโบโถสถปรตนา ผ้ากระถินอุปสมบทอุปสมบทเยอะแยะครับแล้วแต่แล้วกันนะครับกามที่เหลือเน่าจากบริวารมานัดอภาร์เพราะฉะนั้นเวลาเราแปลถ้าเราไปเจออย่างนี้แปลอย่างนี้เขาเรียกว่าแปลแปลแปลมีอธิศัพท์แต่ถ้าเราจะไปลอธิวันตะคือแปลของอธิศัพท์ไปเลยเราต้องแปลว่า่าแปลข้างบนใหม่นะครับนะครับอสองสอง สองไม่ควรกระทําปริวาสิกาพิกสูให้เป็นดีดีแล้วให้ให้แล้วไม่ใช่ให้แล้วกทําการมีการให้ปริวาสให้มานาสให้อภารแก่กันและกันนี่ต้องแปลอย่างนี้ครับอย่างนี้เรียกว่าแปลอาธิวันตะนะครับแปลอัดของอาธิด้วยคือมันมีอะไรอยู่ในนั้นว่าแปลมันหมดไปเลยแปลแล้วไม่ต้องบอกว่าเป็นต้นอย่างนี้แปลแล้วไม่ต้องบอกว่าเป็นต้นถ้าปริวาสต้องเป็นต้นถ้าแปลหมดแล้วไม่ต้องใช้กําว่าเป็นต้น นะครับอย่างนี้เรียกว่าแปลโดยใช้อาธิวันตะส่วนมากแล้วในพม่าจะแปลสองอย่างอย่างนี้แปลอย่างหนึ่งจะแปลว่าปริวาสเป็นต้นถ้าจะแปลอธิบายเขาจะไม่แปลอย่างนี้แล้วหนังสือไหนที่จะต้องการให้คนอ่านไม่ใช่เรียนจะไม่แปลอย่างนี้จะแปลว่ามีการให้ปริวาการกระทําการให้ปริวาสให้ปริวาสให้มานัทให้อภารนแล้วไม่ต้องคํำคาเป็นต้นทิ้งไปเลยเพราะมันแปลแล้วอย่างนี้นะครับอาธิวันตะแปลอาธิวันตะแก้การแล้กันไม่ได้นะครับ ดันั้นในในในที่นี้นะครับในที่นี้จึงถ้าถ้าบอกปริวัติอย่างเดียวไอ้ตรงนู้นเป็นนี้ก็ไม่ได้มีอาธิัพา์ก็ไม่ได้ตรงนี้เป็นสุก็ไม่ได้เขาเป็นเอกกว่าชนะนะครับเป็นไม่ได้ดังนั้นตรงนี้ต้องเอาไปวัดกับที่ท่านฟังมานะครับเอาไปเอาไปเอาไปวัดกันดูว่าอันไหนถูกนะครับเน่าผมเขียนจบยางผมแปลจบยางยางไม่จบคเนปนะอปโหนเต้นี่ปนะ ข้าวว่าคันเน่คันเมื่อคันเมื่ออะไรครับพิเศษแปหน่อยประโยช น, นี้ิงหมูหมคันเน่คันเมื่องงเอ่ออัปโหนเตไม่พอพ อ, อ่าไม่พอ อ, พ อ, อ, อ, อ่าเนี่ยนะให้ฮะอ่าให้เก็บตงไม่พออ้าวเก็บบัด น, นะต้องเก็บครับไม่เก็บไม่ได้นิคีปลาเปเดวามีช่างงาใช้ด้วยในที่นี้ะ สองพึงให้ปริวาสิกาภิกษุเก็บวัดแล้วทําให้เป็นคณะปุรษุษกะใช้ได้ทำกันเนี่กรรมนั้นได้สมมุติว่าเรามีมีปริวาสอยู่สามรูปสองรูปอ่าสองรูปก็ได้เอ้ามีพระอยู่ทอะไรอ่ะพระพระประกาศตะสามรูปอ่าให้ปริวาสิกาภิกษุรูปหนึ่งเก็บวัดซะแล้วมาเป็นคณะบุรษุษกะได้ครับไม่เป็นไรใช้ได้เพราะฉะนั้น อันนี้เอาไปสืบเนื่องแต่ตรงโน้หน่อยเมื่อเก็บวัดแล้วเป็นประกตตะนะครับไปสืบเนื่องแต่ตรงโน้นว่าต้องในระหว่างถ้าเกิดเก็บวัดแล้วต้องไม่เรียกว่าต้องในระหว่างนะครับเพราะเป็นประกตตะมันคนละส่วนกันนะครับตรงนี้เอาไปสืบเนื่องกับที่โน้นคือเอาเอาเหตุผลไปไปไปไปเสริมกนได้ในที่อื่นๆเหมือนกันนะครับเข้าบาลีเข้าไปนั่งในที่สงัดแล้วก็ลำพึงว่าเออพุทธเจ้าอนุญาตอ่า อะไรอ่ะอนุญาตวัดกับพิเอปริวาสิกับพิสุนี่วัดเหล่านั้นมีเท่าไรเนาะอะไรอย่างนี้ลำพึงลำพึงเกิดความสงสัยขึ้นมาก็ไปถามพระเจ้าวัดมีเท่าไรลัติเชตมีเท่าไรสาวาโสมีเท่าไรวิวาโสมีเท่าไรอนารโรจนามีลักษณะอย่างไรอย่างนี้ลักษณะของมันคืออย่างไงอย่างไรย่งอย่างไรจึงจะเป็นสาวาโสอย่างไรจึงจะวิะวาโสอย่างไรจึงจะเป็นอานารโรจนาเพราะฉนั้นตรงนี้เป็นการลำพึงแต่เขาอธิบายมาก่อนแล้ว ยังไงเรียกว่าสหาวาโัโสแต่ตรงนี้ขยกคําของอยกในบาลีไม่เห็นอีกว่าเ <_ an> หตุที่เกิดอย่างนี้เพราะพระอุบาลีเอมาทบทวนวินยัยส่วนมากก็ผู้ทรงวินัยก็จัดทัวทบทวนหาเหตุผลในวินัยอยู่เ น, นืองๆอยู่ครับอเพื่ อ, เ พ, อ, เ, พอเพื่ออธิบายให้ให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้นุกศิษลูหาได้ได้รับทราบตรงจํากันไว้ก็พระพุทธเจ้าอนุญาตวัดแจกพิจูแล้วห้ามไนีห้ามไม่นั่นห้ามไม่ น, นั่นห้ามไม่นี่ แต่แต่และอย่างมันมีลักษณะยังไงก็เลยคิดอย่างนี้แล้วก็ไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็แสดงออกไปที่ที่เราผ่านผ่านมาแล้วนะครับอบอกออกไปมีมีตาบวาโสอยู่ร่วมกันอยู่ยังไงนะครับอ่าตรงนี้อีกนะอ่าผมก็ยังส ง, ง, งสัยสงสัยว่า ปริวาสทานานิในที่นี้หมายถึงการให้ปริวาสการให้ปริวาสให้มานัตด้วยให้อภาร์ด้วยที่อาตามกัมกามกัมมาวาจาแล้วกันเอะากัมาวาจาตอนนี้ท่านกล่าวถึงปริวาสิกาพิสูปปริวาสิกาพิสูปไม่มีอาทิกก็ไม่ได้ถึงไปมานัตตะด้วยไปเกี่ยวอะไรกันตรงนั้นก็อยากจะถามอีกว่าถ้าเป็นผ้ามานัตที่คือเป็นผ้ามานัตจะได้ไหม มานาตะแล้วทำอะไรกันเป็นจํานวนเต็มในในสงฆ์ในกรรมไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นได้ยังไงเอาไหนเหตุผลควรที่ควรจะเป็นอะอทีนี้ว่าเกิดกรณีว่าอย่างถ้ามานาตะใช่ไหมครัครับกำลังพุทธมานัตอยู่ครับครับจะเป็นคณะพุรกาให้กับปริวาสิกาได้ไหมไม่ได้ครับแล้วทีนี้เมื่อเป็นไม่ได้ทําไมแล้วปริวาสิกานั้นเมื่อบอกวัดจึงต้อง บอกกับพระมานาตาด้วยเพราะถือว่าเป็นประกา ต, ตะของปริวัติกาปกตตะคือในในที่นั้นหมายถึงอะไรครับมานัทเป็นไอไม่มูลายะปริการศาสนาตั้งแต่มูลายะปฏิกาศสนาไปมานัทเอควแก่มานัท เ, เ, เป็นปกตตะของปริวัติการพิสูจหมายถึงวันก่อนผมพูดไปแล้วครับตรงนี้หมายถึงการอุปถัมภ์การอะไรได้การทําวินัยกรม ร, ยกรมเกี่ยวกับอ่า สามมีจีกรรการลุกหลับการให้อาชนะการอะไรๆต้องทําเหมือนเดิมนั่นคือคําว่าประกตาตะในทีนั้นหมายเอาแค่นี้ครับหมายถึงแค่นี้เองวันนั้นบอกไปแล้วนะครับวันนั้นตรงนั้นมีด้วยหมายถึงแค่นั้นเองครับหมายถึงว่าวัดที่เธอเคยประพฤติกันยัยงไงเธอยังต้องประพฤติเหมือนเดิมครับแค่นั้นใช่ไหครับถึงถึงไม่ได้เข้าปฏิวตัตไม่ได้ทามันนั้นวัดตรงนี้ก็ต้องประพฤติใช่ไหมครับ เมื่อเธอเข้าไปดิวา่าแล้วก็ยังต้องมาพฤ้นนะครับแต่พิเศษขึ้นไปหน่อยที่จําเป็นต้องไปบอกในนั้นเพราะมานัตตะจาริกะนะครับเป็นประกตาศตะของของใครครับของปริวาสิกะพิสุทธิ์ด้วยนะครับตรงนี้ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องเรียงลําดับภรษาเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับต้องให้ที่เหมือนเหมือนกับให้ที่กับประกตศตะธรรมดาเลยนะครับต้องให้ไม่ได้บอกว่า ถ้าอย่างนั้นตรงนู้นต้องบอกไว้ก่อนตรงนี้เลยมาณตาจริกะนี่เป็นคณะพุรุษกะของปริวาทได้ต้องเป็นได้เลยครับต้องเป็นได้ไม่เจ อ, ไ ม, เจอไม่ต้องไปเจอผมว่าไปไ ป, ไปค้นกันในมหญญายานกันนะไ ม, ไ, มไม่น่าจะเจอข้อในที่ดีใช่ครับบอกว่าปริวาสิกะอืเป็นจํานวนเต็มไม่ได้อในในปริวาสท่านท่านคิดตามไปนะ ท่านท่านมัวจะคิดว่าตรงนี้เป็นบริวารใช่ไหมแล้วให้บริวารเป็นต้นให้ามานัทคือต้องทํากับใครครับให้มนัทต้องทำกับข้าบริวารอ่ะเขาก็ขาบรวารสวดให้มานันทนมนไม่ใช่ตรงนั้นไม่เรียกวาริวารนั่นเรียกว่าควรแก่มานัทใช่ครับไม่ใช่บริวารแล้วตอนนั้นเพราะท่านประพฤติบริวารจบไปแล้วใช่ไหมครับตรงนั้นควรแก่มานัท มันมีปริวาสิกาพิกสุควรแก่มานัทมานัทควรแก่อาภานแล้วก็อาภานใเ่ยไหมครับห้าบุคคลเออแล้วทีนี้ท่านเอาปริวาสองค์เดียวกรรมอื่นสแสดงมาใช้ไม่ได้มีไม่ได้เวลาจะสวดมานัทให้เวลาท่านจะให้มานัทท่านจะให้กับใครอ่ะไปให้ปริวาสิบริวาสิกาพิกษุไม่ได้เธอยังประพฤติปริวาสอยู่ อ้าวแล้วท่านจะหมายเอาไงอ้าวถ้าท่านไม่หมายตามอย่างนี้แล้วมันควรแก่มานั้นมันมีไม่ได้หมายเพิ่งอย่างนั้นที่ผมพูดนี่หมายเป็นจํานวนเต็มในคณะใช่ใช่นี่นี่จำนวนเต็มในคณะคือพวกนี้ได้ว่าท่านสรุปแล้วว่าปริวาสิการท่านท่านจะไปสรุปเอาว่าในที่นี้กล่าวปริวาสอย่างเดียวนี่มีอาทศักดิ์เหมือนกันหมดเลยนี่ใว่าหมนี่ปริวาสเหมือนกันนู่นปริวาสเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมให้ให้ปริวาสเริ่มให้เลยเอาองนี้ไปเป็นก็ไม่ได้ เอาเริ่มให้มานัดเอาไอ้เร อ, เอไปเอามานัดมาก็ไม่ได้ใช่ไหมครับไปเอาลูควรแก่อพันก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นทำไมจะต้องทาไมจะต้องตร ง, งนี้ทาไมจะเมื่อคณะไม่พอแล้วไม่บอกเลยว่าทำใครให้เป็นให้เป็นคณะบุรกาศทำไมไม่ใส่ลงมาเมื่อคณะไม่พอทำไปวาสิกาพ่สูงทํามานัด พี่สุทำผู้คนแก่มาไออพารเป็นคณะบุราการทําไมไม่ใส่ไปให้หมดกล่าวไว้แล้วไงครับบริวารติดษาข้างบนไม่ใช่นี่คนละเรื่งองกันนะนี่คณะไม่พ อ, น, พอนี่เกวะวนี่คณะไม่พอนี่จะให้เกวะวัฒนทำแล้วถ้ากาวไว้แล้วตรงนี้ข้างบนไอแสดงว่าตรงนี้อธิษฐานแทบไม่ได้อีกเหมือนกันไอตรงนี้รวมทําไปในอธิษฐานไม่ได้ต้องทำบริวารอย่างเดียวตรงนี้ลบทิ้งไว้แค่ติดแข้างบนแล้วก็ข้างหลังก็คงมีเออก็ต้อง ม, มี เออใช่ป่ะแต่ลองคิดดูดีๆเอาไม่เคยเห็นคือตัวนี้ท่านท่านยกปริวาสิกามาเป็นประธานก็จะหมายรวมไปถึงมานับด้วยแล้วก็อ่านด้วยไม่ต้องไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องว่าแค่หมายมารู้ว่าให้กรรมให้ให้ใ ห, ให้อันนี้เป็นต้นมันต้องมีให้อันอื่นๆกับคนอื่นๆเป็นต้นเหมือนกันเมืองผู้นี้ผมแปลไปหมดเลยอธทิวันตะไม่เหลือแล้วทีนี้สรุปเลยทั้งหมดนะั้น ถ้าคณะไม่พอทาทําให้เป็นคณะบูรการ์กันต้องให้เก็บวัดคือต้องทําให้เป็นประกตศตัดเสียก่อนแล้วก็ทำเอาเอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้มานัตตะจาริกามีมีสังวาเสมอกับท่านหรือเปล่ามีอะไรอ่ะไม่ใช่นาน า, นาสังวาสนะในที่นี้หมายถึงรวมอยู่อะไรอะไรมีมีสิทธิเสมอกับท่านหรือเปล่า สมมติเอาวลานี้ท่านไม่ได้ประพฤติวัดเลยไม่ได้ทําอะไรเลยมีสิทธิเสมอกันหมดทุกอย่างไหมก็มีเป็นบางอย่างเท่านั้นที่ไม่เพราะฉะนั้นไม่เสมอการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ทําในกรรมนี้ในกรรมอื่นๆถ้าอย่างนั้นไม่ต้องบอกแล้วครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่าตรงนี้นะตรงนี้นะปริวาสิกะที่พวกเดียวที่เป็นคณะบุรุษในกรรมอื่นๆได้ถ้าท่านคิดตรงนี้ปริวาสอง์เดียว ไอมานัดจะดิกากดีควรแก้มานัดก็กะกะดีควรแก่กแกอาภานกด็ดีเป็นคณะยบุรการไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ปะตรงนี้เขาบอกว่าในกรรมอื่นๆาท่านเอาปริวาสองค์เดียวแสดง ว, ว่าปริวาสนี่เป็นคณะยบุรการในกรรมอื่นๆ น, นอกจากการให้ปริวาสให้มานัดนให้อาภานใช่ไหมครับ แสดงว่ามานัทเป็นมานัทจะจาริกะไม่ได้ควรแก่มานัท ก, ก็ไม่ได้ควรแกอาาร่อภานมาเป็นทนะบุรุษกะในกรรมอื่นๆไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมครับท่านไม่ใช่อย่างนั้นอ้าวแล้วทําไงอ้าวไห น, ไหนลองอธิบายเนื้อความที่นี้ไม่ต้องเอาที่อื่นอธิบายตรงนี้นะครับอในกรณีนี้เนี่ยพระปกติถ้าไม่ได้กล่าวถึงนะครับเพราะว่าพระปกติเนี่ยทำกรรมได้ทุกกรรมอยู่แล้วอือเพราะฉะนั้นท่านจะกล่าวถึงเฉพาะพระที่ทําได้เป็นบางกรรมเช่นเช่นว่า ปฏิวัติเป็นต้นพระพระปริวัติการเนี่ยท่านบอกว่าเว้นห้ามทาในกรรมนี้กรรมนี้เพราะฉะนั้นอกรรมที่เหลือจากกรรมเนี้ยที่ท่านห้ามกรรมที่เหลือทําได้ในกรรมอื่นทําได้ตอนนี้ที่ท่านไม่กล่าวถึงในกรณีพระมานัตตะาริกาอะไรพวกเนี้ยเพราะพระมานั้นนั่นทําได้ทุกกรรมก็ทําได้เหมือนพระปกติโออย่างนี้ดเลยเหรอแปลกนะผมเข้าใจอย่างนี้ครับพระปริวาัติอ่า เป็นที่สี่ในในปริวาสมานัดอภาเนี่ยไม่ได้แต่มานัดในกรณีนี้นะครับในกรณีตัวเนี้ยคืออธิษัาขยายปริวาสมานัดอพาครับครับตอนนี้เพราะฉะนั้นในที่นี้กล่าวถึงกรรมทั้งสามอย่างนี้กล่าวถึงพระปริวาสอกะองเดียวองเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้สรุปแล้วนะครับตรงนี้มานัดเก็บวัดไม่ได้ควรแก่มานัดเก็บวัดไม่ได้ ควรแก่เอาพานเก็บวัดไม่ได้ครับใช่ไหมครับท่านอย่าปฏิเสธคําเดิมนะครับใ น, ในกรณีเก็บวัดนี่ต้องถ้าอะไรอย่างนั้นท่านต้องติดต่อกันเมื่อผููนี้ท่านบอกว่าตรงนี้กล่าวเป็นวา่าตรงนี้ก็ต้องกล่าวปฏิวตัตด้วยท่านท่านท่านไม่เก็บท่านก็ทําได้ถ้าท่านเก็บท่านก็ยิงทําได้สิครับแสดงว่าไม่ต้องเก็บไม่เก็บก็ทำได้ทำได้เ ก, ก็บก็ทำได้ครับอ่าเดี๋ยวท่านไปหาหลักฐานที่ที่มั่นคงกว่านี้ให้ผมสักนี้หนึ่งผมจะกอดใจมากเลยนะครับ ทางกันก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยหาหลักฐานาให้มั่นคงกว่านี้นะครับหาหลักฐานด้วยว่าอาทิสัพในที่นี้หรือในที่นี้เอาปริวาทอย่างเดียวไม่หมายถึงมานัทไม่หมายถึงถึงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมจะหาหาห า, หามานัทอีกอเดี๋ยวผมจะหามานัทว่าถ้ามานัทเก็บวัดแล้วทํากรรมได้นะครับแสดง ว, ว่าตรงนี้คําของท่านเป็นโมคะหรือท่านไปหามา ว่ามานัดเก็บวัดแล้วไอ้มานัดไม่ต้องเก็บวัดแล้วก็ทํากรรมคือให้ปริวาสให้อาภารให้มานัดตรงนี้ได้อาะคำของผมเป็นโมคะนะครับคือในกรณีนี้ผมผมยังเอ่อผมเอาคําที่ผมเคยฟังมาอ่อ ม, า ม, า ม, ามามาแจ้งตรงนี้ครับมมผมก็เลยพูดออกมาในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นอ่าตรงนี้เนี่ยวันนั้นมหาชโยท่านบันทึกเทวะอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเขียนไปขอตรงนี้มาครับครับเพื่อที่จะมาฟังรายละเอียดอยีกถีอือื ผมไม่เคยไม่ไม่ผมคิดคิดอาทิวันตาอย่างนี้ไม่ออกครับแ ต, แต่ที่ผมแย้งก็หมายถึงว่าต้องการที่จะโยงไปให้เห็นอ่าสมอง ก, ก่อนนั้นใช่ไหมครับที่บอกว่าอามานัตตาจริกะใช่ไหมครับเป็นปกณฑาตตาของผมแยงในจุดนี้ครับครับแต่เกี่ยวกับกรรมกำนี้ผมคิดว่าจะต้องไม่ว่าปริวาหรือมานัตแล้วก็อภารจะต้องเก็บวัดจึงจะเข้าร่วมกำนั้นได้ครับ เดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวถ้ารถแกไปหาของท่านมาแล้วผมก็หาของผมเดี๋ยวผมว่าได้ครับแย้งได้แต่แต่มันมันมันต้องหาเหตุผลมามาสมทบอีกครับไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยคือผมได้รับความเข้าใจมาในกรณีที่อีกอย่างหนึ่งอะผมก็เลยลองเนี่ยมนันกเป็นเรวหนึ่งอะมันได้แต่จะเป็นไปได้หรือไม่นั่นคือเดี๋ยวก่อน อ, อ่าเลยไปก่อนเลยระกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาหากันใหม่ครับทีนี้ไปถึงถึงอะไรแล้วมันจะซ้ำกับกับของเดิมแล้วนะครับเกี่ยวกับสิบสองอกอะไรอุปจาระสิบสองอกอะไรอะไรรพวกนั้นมันจะกล่าวใหม่ครั้งหนึ่งกล่าวถึงครับคือผมเคยถาม อาจบางท่านนะครับบอกว่าเอ๊ะทาไมท่านถึงให้ห่างกันสิบสองศอท่านก็เลยแย้งว่าเอ๊ะท่านฟังมาผิดหรือเปล่าเหท่านครับที่จริงเนี่ยให้ไม่ควรห่างกันสิบสองศอกท่านว่าอย่างงั้นครับผมก็เลยถามว่าเอ้าเอ๊ะท่านท่าน้เหตุผลยังไงครับในในข้อนี้ครับท่านบอกว่าถ้าอยู่ห่างกันเกินสิบสองศอกบางทีไปอ่ามีประกาศมาใช่ไหมครับแล้วทีนี้ถ้าห่างกันมากคือปรกตศตาเห็นพระพิสูจนเข้ามาปรกาศตาเข้ามา ถ้าจะหาบอกพระปริวาสมาบอกวัดนี่บางทีถ้าห่างกันไกลเกินไปก็หาไม่เจอบางทีประกาศตาไม่ใช่ผู้รับใช้ของปริวาสนี่ครับถ้าคิดอย่างนั้นแสดงว่าประกาก็เป็นผู้รับใช้คือเป็นสำเนินของบริวาสต้องคอยไปเอ๋ยอย่างนี้ต้องคอยไปบอกงี้แหละครับแสดงว่ายอมตัวเป็นผู้รับใช้ครับตอนนั้นยอมตัวเป็นผู้รับใช้เสร็แล้วยินดีเป็นผู้รับใช้พระปริวาสยินดีเป็นผู้รับใช้ผู้บวชพฤติวัดครับ คุ้มยังไงครไม่ได้คุ้มครับเอื้อเฟื่อเวลาทำกรรมเท่านั้นเองใช่ไหมครับอนุเคราะห์เวลาทํากรรมใช่ไหมครับอยู่ใช้ ไ, ไปสิไม่ได้แบกอะไรไม่ใช่ว่าอยู่เลยไปแล้วมันอยู่คนละภพคนละชาติต้องตายก่อนที่มาพุทไม่ได้เกี่ยวกันเลยอืเขาให้กฏว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องอนุเคราะห์เขาว้างน่ะอ อ, อนุเคราะห์คือคือสมมติว่าเวลาเจอแล้วเราถ้ามีพระปัจจุบันมาเราต้องเอจังบอก ที่มีภระก่อต่มานะท่านพูอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเขาครับต้องอนุเคราะห์เขาหน่อยว่าอย่างนั้นต้องหาอาหารหาอะไรอะไรควรอนุเคราะห์เขาควรอนุเคราะห์ไทยอย่างนั้นอาหารก็ดีที่อยู่ที่อะไรต้องควรอนุเคราะห์เขาก่อนให้เขาเลือกก่อนอย่างนั้นพันยิ่งถ้าถ้าประมวลทั้งหมดแล้วรู้ได้ครับว่านั่นคือหน้าที่ของเขาเขาต้องบอกเมื่อเขาพระเข้ามาเขาเขาไม่ได้บอกนะครับละที่เสียไปรู้แล้วไม่บอกอ้าวเป็นทุกโกรธนะครับ เข้ามาไม่รู้ออกไปเป็นเออเ อ, เ อ, เอลราติเสียอย่างเดียวไม่เห็นท่านบอกว่าเออถ้าเข้ามาแล้วปไปประกาศตต้องรีบไปบอกปริวัติการพิศูนนะปา่าเธอต้องมาบอกต้องตามไปบอกใช่ครับกรณี้ที่ว่าสมมุติว่าท่านาจะบินเบาไใช่ไหมครับทีนี้ท่านไม่เห็นแหละครับพระนี่แต่นี่ประกาศเข้ามาเข้ามาแล้วออกไปอืนะครับเมื่อเข้ามาแล้วออกไปเนี่ย ท่านรู้จากปกตศตะที่อยู่ที่นั่นตอนนั้นปริวาสิกาพิสุวอยู่ที่ไหนครับท่านไปไม่ได้อยู่ในอาวาส ไ, ไ, ไม่เกี่ยวกันครับคือแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกันต้องอยู่ในอาวาสแล้วเข้ามาในในอุปจาระของอาวาสหรือในอาวาสเสียใช่ไหมครับถ้าท่านไม่ได้อยู่าอาาสถอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นไปไปวินาบาทพาเข้ามาทางนี้แล้วออกไปกลับมาปกศตศตะบอกถ้าเสียอย่างนี้ แสดงว่าการออกไปประพฤตินอกวัดก็ไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมครับอ่ะระธาน ค, ครับราแล้วแต่ว่าท่านู้ชาติแต่ว่าาก่อนี่เคยต้องอาบสังที่เส่อยู่ครับครับอ้าบาสังฆที่เสดครับมันอาวาสังฆ์ที่เสษนี่มันมันมันจะติดตาม เราต้องแล้วใช่ไหมครับต้องแล้วต้องแล้วยังไม่ได้อยู่สึกไปก็ดีต้องแล้วอยู่ยังไม่จบยังกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดยังไม่ได้อภายแล้วสึกไปก็ดีกลับมาบวชใหม่มันต้องประพืชใหม่ครับใช่ไหมครับต้องปรบวชต่อเพราะฉะนั้นต้องแล้วตายไปแล้วกลับมาเกิดอีกไอไออวบัตเดิมไม่ใช่มันส่งผลไปแล้วครับมันมันส่งผลให้ได้รับอกุศลมีบไปแล้วครับมันส่งผลไั่แล้วเพราะฉะนั้นมันมันส่งผลไปแล้วมันจะอามาให้มัน มันส่งผลใหม่หรือห ร, รือต้องทําใหม่ในตัวเดิมนั่นมันมันไม่ใช่อย่างนี้คล้ายๆกับ ว, ว่าพระอย่างพระเทวทัตเองใช่ไหมครับครับท่านทำอนันตรีกรรมแล้วอืออือที่บอกว่าท่านยังจะได้เป็นพระพระปฏิเจริญว่าพระพุทธเจ้านะครับครับถ้างนั้นท่านก็เป็นไม่ได้สิครับครับ อ, อนันตรีกรรมมันต้องส่งบุท่านไปใช่เอาเอาอย่างนี้อย่างนี้ถ้าถ้าว่าตายไปแล้วกลับมาอีกต้องประพฤติปฏิวัตในอาบัตตัวตัวของชาติก่อนนะครับถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่เคยบวชตั้งหลายชาติละ ใช่ครับแล้วต้องแหม่งทุกชาติเลยแล้วไม่ได้เข้ากันไว้เลยโอ้โหอย่างนี้แย่เลยหรือหรือต้องในชาติที่สินมัก็โอ้ยต้องชดใช้กันละเอออย่างนี้ไม่ได้ครับมันขาดมันส่งคนไปแล้วครับมันส่งผลไปแล้วมันรอมาถึงคือมันรอเราไม่ไหวแล้วครับถ้าขนาดนั้นนะมันรอเราไม่ไหวแล้วมันส่งผลซะก่อนแล้วมันรอให้เรามาส่งมาชดใช้กันไม่ไหวแล้วนะครับอาหารน้องแกไปอ่านโลกชีวิตเขาบอกว่าอาบัตรตัวใดก็แล้วแต่ ถ้าต้องถึงต้องแล้วก็สแสดงต้องแล้วก็สแสดงถึงเจดครั้งนี่พอครั้งที่แปดแล้วแล้วมันมันไม่ยอมรับแล้วครับคือคือคือสแสดงไม่ได้แล้วไม่ว่าอาบัติตัวใดเป็นอเตกิจฉาหมดแล้วครับคือหมดสิทธิ์ที่จะบรรลุคุณธรรมใครเป็นคนเขียนเชื่ออะไรอ่าเมทาวีธรรมทา น, นทาไม่รู้เหมือนกันโยมโยมโยมยอรหรันต์วันนี้มาหาน้องอ่านแล้วแกขำแกมาเล่าให้ฟัง <c oughs> อย่ามาเล่าให้ฟังยิงยิงท่านเป็นว่างานด้วยอาหารต้องมาช่วยมีอวัยวะสังหารทเสร็ติดตัวกับบรรูุ้ไปหน่ครับอ่ก็คือท่านเขีนเขขขยนเองเขาเขียนเองแล้วเขาวา่าด่าด่ากันเองขัดแย้งกันเองในคำคำของคนคนเดียวกันนะก็ถ้าต้องในธาตุนู้นแล้วก็มาบนรลุอาหารแล้วร ล, ลึกได้ก็เลยเลยต้องอยู่วบาัยวสังหาริี่เสร็ชดใช้แสดงว่ามีอบัยอยู่กับบนรลุได้ ดังนั้นแสดงว่ต้องอา บ, บัติสังะที่ทด็ดตั้งแตเกิดมาเลยดิอ่าไม่ไม่ใช่ตั้งเกิดตัด้งแต่ ก, ก่อนเกิดนุ่นอ่าตั้งแต่ก่อนเกิดนุ่นออาทีนี้ทีนี้ไปถึงนุ่นแล้วนะครับถึงอ่าไปถึงปิดปกปิดนะครับทีนี้ไปถึงปกปิดเกี่ยวกับปกปิด เกี่ยวกับทีนี้เอก เ, เ, เกี่ยวกับเรื่องประพฤติอะไรจบไปแล้วลทีนี้ท่านท่านมาเริ่มเริ่มปริวาสกถานะครับว่าเวลาเรา เ, เวลาเวลา อ, อันนี้จะเกี่ยวกับ เ, เนื้อความของพระวินัยทรที่จะสอบสวนผู้ที่เข้ามาบอกหรือพิกุผู้ศึกษาแล้วจะได้ไว้สอบสวนตัวเองว่าเราต้องอับัาศสังฆทานหรืออย่างปกปิดหรือยังนะครับมันจะมีลักษณะไว้อท่านจะแสดงลักษณะไว้นะครับ ลักษณะการปกปิดอาบัต์นั้นมีด้วยกันสิบอย่างเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบสิบอย่างนะครับมีมีอาการสิบอย่างการปกปิดนั้นต้องปกปิดด้วยอาการสิบอย่างนะครับจึงชื่อว่าการปกปิดอาบัต์ในอาบัต์สังขาริี่เจตนี้อาบัต์อื่นๆก็เหมือนกันนะครับอาบัต์อื่นๆก็เหมือนกันแต่ในนี้นี้ยกสังขารทเจตมาแม้แต่อาบัตอื่นๆอาบัตเล็กอาบัตใหญ่อะไรเหมือนกันในลักษณะเดียวกันนะครับมาตรกาของ ของการปกปิดอาบัตินี้จะเริ่มจากอาปิจาโหติอาปิาิจสัตอาปิสัญญาจัปกติโตจะโหติปกติ ต, ต, ต, ต, ตสัญญาจันะครับเดี๋ยวเขียนเอาดีกว่านะครับองค์มันองค์แห่งการปกปิดองค์แห่งการปกปิด